เมื่อกี้นี่ยที่ทำศังย ก, กรรมหรือว่าการข อ, อนิสัยเมื่อกี้นี่มีความหมายในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือพระที่มีอายุพรรษาต่ากว่าห้าพรรษาท่านให้ข อ, อนิสัยนะถ้าเกินกว่ า, านั้นเรีว่านิสัยมุตตะกะนะนิสัยมุตตะกะนะไม่ขอก็ไดนะ้แต่ตาตาไม่จริงท่าอยู่กับ ครูบาอาจารย์ได้จะให้ท่านแนะนําสั่งสอนอยู่ท่านก็ขอขอนิสัยอย่างที่ผมอยู่กับองค์หลวงตาก็เหมือนกันสมัย น, นก็สิบขอพรรษาลูกปูนเม่ท่านก็ขอเหมือนกันที่อยู่กับองค์หลวงตานะอันนี้เรียกว่าขอนิสัยเป็นกริยาอาการที่พึ่งพิงพึ่งพิ ง, พงอิงอาศัยผู้น้อยอาศัยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็ให้ความเอื้อเฟื้อแก่ผู้น้อยสมัยก่อนพอพระบวชเข้ามาใหม่ไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพอบวชเสร็จแล้วก็ต่างองค์ก็ต่างไปแต่ที่พระไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนก็เลยออกนอกลูก่นอกทางจะไปสับ ป, ปะไม่มีกฎไม่มีระเบียบใครจะทําอะไรก็ทํายากรมเขาก็ตําหนิติดเตียน พระสงฆ์ทั้งหลายก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าว่าพระสงฆ์พระบวชใหม่พระไม่อยู่ในระเบียบวิ น, นัยพระพุทองค์ก็ค้นหาสาเหตุพอทราบว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาแล้วไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนไม่ได้อยู่กับพ่อกอกับครูว่างั้นเถอะไม่ได้ใยญ่กับพ่อกอกับครูพอบวชเข้ามาแล้วก็ไปเองตามอัธยาใจตามใจตัวเองชอบ ตัวเองชอบก็ชอบไปทางต่ำชอบไปทางกิเลสผลที่สุดก็เลยสเ ป, ปะส ป, ปะทำไปเรื่อยทำให้เสียหายจากนั้นพระพุทธองค์จึงบรรดาพิเนวิสิตหบวชเข้ามาใหม่ต้องข อ, อนิสัยจากอุปชา ห, หรืออาจารย์อย่างน้อยห้าพรรษาแล้วจึงออกไปจึงพ้นนิสัยถ้าว่าองค์ใดก็ตามไม่ข อ, อนิสัยจากอาจารย์ปราบัติทุกกเพราะนั้นจึงมีตั้งแต่บัดนั้นมา พอเขามาบวดแล้วก็ต้องข อ, อนิสัยอ า, อาจารย์ก็ต้องให้ความดูแลอนุเคราะห์แนะนําสั่งสอนแล้วก็ให้ทั้งการเป็นอยู่ด้วยบงบริคานที่มันขาดเหลือขาดตกอาหารการบริโภคที่ขาดตกอะไรืรอเวลาเกีบร์พยได้ป่วยอาจารย์ต้องดูร่องแลศีนาชนะศีพักพาใสาพักยังไงอยู่ยังไงอันนี้ก็คือหน้าที่ของอาจารย์จะต้องดูแลแต่ลูกศิษย์ แ <S an> เมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์ก็ต้องดูแลอาจารย์รับใช้อาจารย์รับใช้อาจารย์ดูผ้าจีวรดูบาดดูบริถานล้างบง่งล้างบาดปัดกวาดทําความสะอาดชักผ้าล้างเท้าอย่างนี้เป็นตน้นนะในพระวินัยเพื่อให้พวกเราศึกษานะถ้าอยากจะรู้ว่าอาจารย์อรยวัตรนั้นทําอย่างไรมีพระวินัยในวิดในมุขเล่มสอง อ่านดูได้ดูในพระไตรปิฎกก็ได้อาจารย์ริยวัตรทำยังไงอุปชัยยวัตรทำยังไงแล้วอาจารย์ทำกับพวกศิษย์ทำยังไงสัจทิมวิหาริกรวัตรทำยังไงอันเตวศิกวัตรทำยังไงในพระวินัยบอกไว้ชัดเจนทางว่าพวกเราสงสัยอ่านได้ศึกษาได้ในวินัยมุกเล่มสองหรือพระไตรปิฎกนะแต่ความเป็นมาในของเนื่องนิสัยที่เป็นยังไงทําไมจึงให้ขอนิสัย พระองค์ไหนทํำยังไงที่ไหนพระพุทธเจ้าบัญญัติที่เมืองไหนประเทศในเมืองไหนเวลาได้มีใครบ้างฮะแล้วก็มีกฎหมายแม่คืออะไรอนุบัญญัติคืออะไรมีทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปในพระวินยัยเพื่อท่านพวกเราที่ผมพูดให้ฟังคือเป็นแนวทางคร่าวๆให้ฟังก็งนั้นเองนะแต่พวกเราอยากจะรู้ในรายละเอียดก็ศึกษาค้นคว้าอีกได้ อยู่ในหลักพวินัยนั่นแหละนะแต่ผมจะพูดกล่าวเรื่องอนุาสาดกิจที่ควรทำและกิจที่ไม่ควรทำนะกิจที่ไม่ควรทำที่อุปชาบอกกล่าวมิเช้าแหละอนุาสาดแปดอย่างนิสัยสีอักรณียกิจสี่นิสัยสีคือกิจที่ควรทำมีอยู่สี่อย่างเที่ยวบินทบาทนะถ้าเราฉันอยู่เราต้องเที่ยวบินทบาทไช่กิเกขีิ ค, ค, ค, ค, ค้านไม่ได้นะ เที่ยวบิณฑบาตหนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสกุลหนึ่งอยู่โคลนต้นไม้หนึ่งฉันยารองด้วยน้ำมูดเท่าหนึ่งอันนี้ก็คือจิตที่ควรทำปวดเข้ามาแล้วเราต้องพึ่งตนเองคือเที่ยวบิณฑบาตมาฉันใครเข้าเที่ยวบิณฑบาตก็คือขอนะีขอทานแต่ว่าขอแบบมีศักดิ์ศรีไม่ได้ออกเอ่ยปากเดินไปชาวบ้านเขาเห็นพระเออท่านมาคงจะต้องการอาหาร เรก็ใส่บาตรให้เราก็ได้ตามมีตามเกิดเพราะนั่นการบวชตามมีตามเกิดน ะ, ะได้ของดีกับชั้นของดีในของเร็วกวับชั้นของเร็วไม่ให้จใจทุกข์ลำบากเรื่องอาหารทําใจเขาว่าเราเป็นนักบวชแล้วเราจงทําใจเราจะได้อาหารอ่ำสั่งไม่ได้อันนี้แหะคืออาหารบิณฑบาตเที่ยวบิณฑบาตหนึ่ง น่งโมผ้าบางสกุลหนึ่งคือผ้าบางสกุลคือผ้าก็ทิ้งไว้ทาวมาไม่มีเราเห็นผ้าเก็บมาติดต่อมาเย็บก็ใช้ได้ไม่ผิดต่อพระวินัยไม่ผิดต่อลักธผ้าบางสกุลหนึ่งอยู่โคนต้นไม้หนึ่งถ้าเราบวชเข้ามาแล้วหนาแรงหาที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้เราไปอยู่โคนต้นไม้ก็ได้ไม่เป็นอาบัดไม่เป็นโทษแต่หน้าฝนเราต้องหาที่มุงที่บงัง ป้องกันแดด ก, กันฝนเราต้องทําขึ้นมาพอให้เด็กกันแดด ก, กันฝนได้อย่าไปอยู่โคลนต้นไม้ไม่ได้ปรับอบัดอีกเพราะว่าหน้าฝนจะทําให้ไม่สบายถ้าว่าหน้าแรงอยู่อย่างนั้นได้ฉันยาดองด้วยมา น, มน้ํามูลเน่าก็คือน้ํามูลเน่าคือน้าเยี่ยวดองกับสับข้ามป้อมสมอเป็นยาได้ไม่เป็นโทษไม่ปรับอบัตดอันนี้ก็คือ กิจที่ควรทํามีสี่กิจที่ไม่ควรทำเลยกิจที่ไม่ควรทําคือโทษประหารที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวัดโทษประหารของพระนะมีอยู่สี่เลยหนึ่งพเพศสูตรเพเมทุนต้องปาราชิตเสพเมทุนเพศตรงข้ามจะเป็นทวานะรหนักจะเป็นทวารเบาหรจะเป็นปะขาดการเป็นพระอันนี้โทษประหารข้อที่หนึ่งนะโทษประหารข้อที่สอง พิษสุขขโมยสิ่งของของเขาด้วยเจตนาราคาห้ามาศตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปราคาตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปของนั้นตัวเองเจตนาลักขโมยของเขาขาดจากการเป็นพระอันนี้คือโทษประหารข้อที่สองข้อที่ 3, สามพิษุขแกล้งฆ่าสัตว์มนุษย์ให้ตายคือฆ่าคนให้ตาย ฆ่าคนนะครับวใช้ยาเบือ่อใช้อาวุธปืนใช้อาวุธจัดราฟึกมีดควานควานสับอะไรก็ตับหรือว่าขนาดเด็กอยู่ในท้องเราแต่งยาเขาไปฆ่าเขาใช่ไหมถ้าเด็กนั้นตายอย่างที่เราอยากจะให้ตายโดยเจตานาเราขาดจะ ก, การเป็นพ่ะแล้วอันนี้เปิดว่าฆ่าสัตว์มนุษย์ให้ตายมันจะว่าจ้างเขาก็ได้ เอาเงินจายให้คนอื่นไปฆ่าเขาก็ได้ถ้าเขาตายอย่างที่เราเจตนาอยากจะให้ตายตัวเองขาดจากการเป็นพระอันนี้เป็นคติบทที่สาม <im itation> โทษประหารข้อที่สามโทษประหารข้อที่สี่พิจูวดอุต ร, ริมนุษชธรรมคือทํำบรรจิณของมนุษย์ที่ไม่มีในตนใครเข้าาตัวเองไม่ได้สําเร็จมากสําเร็จผลก็อัวะต่งางหวัดตัวเองได้สําเร็จมากสําเร็จผล ให้คนเคารพนับถือเรื่มใสตัวเองจะได้อาติเล ก, กลาบจะได้มีคนนับหน้าถือตาจะได้เงินคำทรัพย์สมบัติเขาเอาธรรมะไปอวดอ้างเขาอันนี้ร็คาดจากการเป็นพระเพราะนั้นมีอยู่สี่ประการนะหนึ่งปิจุเสภเมถุนต้องปาราชิกสองปุถือเอาชิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยราคาห้ามาศตองปาราชิก สามพิสุกแกล้งฆ่าสัตว์มนุษย์ให้ตายตรงปาราชิกสี่พิคุพิสุอวดอุตตริมนุษยธรรมคือทำมันเยี่ยงของมนุษย์ที่ไม่มีตนตรงปาราชิกอันนี้คือโทษประหารของพระนะถึงใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามถ้าตัวเองดวงละเมิดไปแล้วคือขาดจากการเป็นพระไปบวชอีกก็ไม่ได้ตั้งชาติเหมนั้นแต่ชาติทั้งชาตินั่นแหละตัวเองสึกไปแล้วกลับข้าบวช ก, ก็ไม่เป็นพระอีกเพราะว่าเหมือนกับ ตนพลาตนตาลตัดยอดออกแล้วตัดคอออกแล้วมันมีแต่เน่าลูกเปลี่ยวชีวิตของท่านองค์นั้นเพราะนั่นให้ระมัดระวังนะระมัดระวังจะเป็นทวารหนักผู้ชายก็ตามด้วยการก็ตามขาดกัรเป็นพระทั้งนั้นเพราะนั้นให้ระวังอันนี้คือโทษประหารของพระแล้วลองลงมาถึงชมาสังคาทิเสตอย่างที่ผมพูดเมื่อเช้า สังขารที่เสดสิบสาแต่สิ่งที่ล่อแหลมจริงๆมีห้าสิบคาบทนะให้ระมัดระวังก็คือห้าสิบคาบทสิบคาบทที่หนึ่งที่ล่อแหลมเป็นอย่างมากก็คือหนึ่งพิกสุกแกล้งทําให้น้ําอสุจิเคลื่อนหรือน้ํากามนะน้ำสเปิรม์มน้ํากามพิษสุกแกล้งทําให้น้ําอสุจิเคลื่อนต้องสังขาที่เสดเว้นไว้แต่นอนฝัน เป็นไวจะฝันถ้าฝันมันสุดวิสัยถ้าเราตื่นขึ้นมาในขณะที่น้ํามันจะเคลื่อนก็ให้พิชเพศจิตเพศใจอย่ายินดีนะว่าโอ้เราเป็นพระเรามาชาระจิตใจของเราให้พ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะแต่กิเลสราคะยังเหยียบย่ำจิตใจของเราได้อีกอยู่นะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังต่อไปในการหลับการนอนของข้าพเจ้านะต้องคิดไวอย่างนั้นนะจึงจะไม่เป็นอบับดั ถ้าว่าไปส่งเสริมเข้าไปนะเป็นอำนาจได้เพราะดังนั้นให้ระมัดระวังสิกรบทนี้โดยมากทําให้ระวังนะจะเป็นเป็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นที่ผมสอนว่าจะไปทานอาหารส่งเสริมอาหารนะให้พวกขนมนมเนยอะไรอะไรก็ตามนะให้ระมัดระวังนะาผ่าน้อยพ่าหนุ่มนะผมจะเคยบอกอย่างนั้นอยู่เสมอเห็นไหมลูกของผมนะสมัยมาอยู่ที่นี่นะึกว่าเป็นเนื้อเป็นหนังนั่นะนะแต่ตะกอนน้านี่ผอมผอมคนนี้มากเลย ลูกของผมนะสมัยผมเป็นพระน้อยปุถุหลงผมอดอาหารนะอไม่ได้อ้วนนะผอมนี่หละพิกสุแกร้งทรรมคือเจตนาให้น้ำมัสจิเชื่อนต้องสังขารที่เศษเว้นไว้แต่ฝันอันนี้คือซีกสามบทหนึ่งซีข้บทสองพิษุมีความกำหนักอยู่จับต้องกายหญิง แมีความกำหนัดอยู่จับต้อง้ายหญิงต้องสังขารทิเศตข้อศิษยขบถี่สภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงต้องสังขารทิเศตศิษขาบทที่สี่ภิกษุมีความกำหนัดอยู่พูดล่อให้หญิงบำเลอตนด้วยกามต้องสังขารทิเศตศิกยขาบทที่ห้าภิกษุมีความกำหนัดภิกษุซักสือให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกัน ต้องสังขารทิเศตคือเป็นเท่าแก่เามือนันนะเอ่อทีนี้ซัดหญิงโฉบพณีให้เขาอยู่ร่วมกันเพียงคืนเดียวกบพระ อ, อนั้นก็ขาดจัดก็กเป็นอบัติสังคาทิเศตแล้วโทษหนักนะอบัตสังคาทิเศตเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากๆเลยถ้าเราศึกษาดูนะอบัติสังคาทิเศตไม่ควรจะสแสดงอบัตไม่ตกนะอวัตสังคาทิเศตนะต้องออกจากอวัติสังคาทิเศตในพระยี่สิบวงสวดประกาศจัก่อนจึงจัด ออกจากอพาตเ์ทังค้าที่เสียดายเพราะนั่นให้พวกเราระมัดระวังนะที่ผมบอกมาเนี่ยพราะนั้นผมจึงไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือถึงผู้หญิงหอแฟนเก่าหรือว่อาผู้รักอะไรลักษณะอย่างนั้นอะ่ะ เ, เราเป็นพาแล้วห้ามใช้ไม่ได้แค่ว่ามีความกำหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงตัวนอันตรายมากนะ พี่โ้กพี่สุมีความกังอยู่พูดล่อให้หญิงให้หญิงบําเรอตนด้วยกรมคือชักชวนให้หญิงบําเรยตนด้วยกรรมต้องราคาทิเศษอันนี้ก็ให้หมู่เพื่อนแล้วพวกพระใหม่ระมัดระวังนะระมัดระวังเป็นพิเศษนะทางว่าเป็นอบัติเข้ามาแล้วก็เป็นพระเน่าในน่ะแต่ภาวนาไม่เป็นไม่ไปแหละทีนี้มีจะปรุงฟุ้งอยู่เลยตัวเองทําผิดแล้วนะเพราะนายนาให้มันมีปัญหานยายายมีปัญหาในะจิตในใจของเรานะ จากัก่นอนที่ขบทอื่นก็คงไม่มีปัญหานะมั้งแต่ว่าการฉันน้ําต้องนั่งซะก่อนนะจะไปยืนฉันไม่ได้เราจะไปปัดสวะจะไปยืนปัดสวะไม่ได้ต้องนั่งเวลาอุจจาระก็เหมือนกันนั่งอุจจาระอย่าไปถ่ายอย่าไปถุยน้ําลายใส่ต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวเขียวเพชสุไม่เป็นไข้จะไม่ถ่ายอุจจาระถ่ายปัดสวะบ้วนเขียเข้ยละบ้วนเขีละคือคือน้ําลาย ลงในน้ําพิกษุมไม่เป็นใข่จะไม่ถ่ายอุจจระถ่ายปัสสวะบ้วนเขละลงในของเขียวของเขียวยก็คือหญ้านะใบไม้ไม่ให้ถุยน้ำลายใส่ใบไม้ใบไม้เขียวนะถ้ามันขาดออกจากต้นแล้วไม่เป็นไรถึงจะเขียวขดถุยได้เพราะมันตาดมันขาดแล้วแต่ทามันยังติดอยู่ในดินอยู่ห้ามถุยถ้าถุยเข้าไปก็เป็นอันบัติทุกกฎนะอันนี้ก็คือความวินยัยเพรนั้นพวกเราให้ศึกษาให้เข้าใจนะ ส่วนอื่นเวลาจะฉันอะไรต้องประเคนซะก่อนนะแอบต้องประเคนคนต้องดูให้ดีเราไม่ใช่เป็นฆราวาสนะเราเป็นพระเราจะทําแบบสุ่มสี่สุมห้าไม่ได้นะแต่ว่าพระขาดศีลศีลไม่มีอยู่ในพระแล้วแอบมันจะมีประโยชน์อะไรเหมือนกับฆราวาสคนหนึ่งเพื่อเพยิ่งกว่าฆราวาสไปอีกพระไม่มีศีลพระไม่มีศีลหรือไม่มีศีลก็คือไม่มีธรรมธรรมกับศีลศีลธรรมอยู่ในคนเดียวกันถ้าขาดธรรมคือขาดศีลถ้าขาดศีลก็คือขาดธรรม ถ้าคนขาดสินมากๆไปภาวนาน่ยจิตใจวิตกกังวลจิตใจไม่เป็นไปหลกนะภาวนาไม่เป็นไม่ไปคนที่ไม่มีสิล น, นะพอเราเป็นพระไม่มีศินนะภาวนาแล้วมันวิตกกังวล น, นะไม่ได้นะถ้าเป็นค ร, รวญแคร่ดวงอีกอย่างหนึ่งเรากินท่าวของตัวเองใช้ของตัวเองอันนี้เรามาอาศัยพระพุทธศาสนาอาศัยพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องทําตนให้เป็น พระที่ดีพระที่มีศีลธรรมนะวันนี้ผมขอพูดเพียงเท่านี้ละตอนนี้ไปก็เลิกกันแล้วนะ